อุติยะสูตรว่าด้วยพระอุติยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุติยะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้วเดียกราบทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยยอ่อ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 และความเห็นจากตรงเมื่อ น, นั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้เธอ 1. โจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 เธอจากถึงจุดโจกแห่งความตายลำดับนั้นท่านพระอุตยะชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาท่านพระอุตยะก็ลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม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 อุตยสูตรที่6จบเจ็ดอริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สติปทานสประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยาเนิกรธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปทานสประการนั้นสติปทานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้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 นำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปทานสี่ประการนั้นอริยสูตรที่7จ็จบ 8. พร ม, มสูตรว่าด้วยเท้าสหัมบดีพรม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 ท้าสหามบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วเท้าเธอคมผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 เสตกะสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่เศตกันิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นานิคมของชาวสุมาพะชื่อเศตกะแคว้นสุมาพะณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่าราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้ แล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมธะกะทาลิกะมาบอกว่าเมธะกะทาลิกะผู้สหายเธอจงขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอของเราเถิดภิกษุทั้งหลายเมธะกะทาลิกะผู้เป็นสิทธ์รับคำของคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวแล้วได้ขึ้นราวไม้ไผ่ยืนอยู่บนคอของอาจารย์คนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวเรียกล่าวว่า เมทกะถาลิกะผู้สยหายเธอจงรักษาเราเราก็จะรักษาเธอเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษากันและกันอย่างนี้จากแสดงศิลปะจากได้ลาบและจากลงจากราไม้ไผ่โดยความสวัสดีภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วเมทกะถาลิกะผู้เป็นสิทธิ์ได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหามิได้ ท่านจงรักษาตนผมก็จะรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษาตนอย่างนี้จากแสดงศิลปะจากได้ลาบและจากลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสนับสนุนว่าอุบายในเรื่องนั้นมีอยู่เหมือนสิทธิชื่อเมตะกะถาลิกะได้พูดกับอาจารย์คือพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 บุคคลเมื mm. ่อร uh ักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างนี้แลเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจกรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจกรักษาผู้อื่นภิษุทธั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเสกะสูที่เก้าจบ 10. ชนะปทะกัลยาณิสูตรว่าด้วยนางงามในชนบทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนานิคมของชาวสุมพะชื่อเศถากะในแคว้นสุมาพณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิษุทั้งหลายมาตรัสว่าพิษุทั้งหลายภิษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิษุทั้งหลายมูมหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบท มีนางงามในชนบทจึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นหน้าดูยิ่งนักในเวลาฟ้อนรำหน้าฟังยิ่งนักในเวลาขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวอีกว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำจะขับร้องจึงประชุมกันแน่นขนาดประมาณไม่ได้ทีนั้นมีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกเดินมา หมูมหาชนพึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไประหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามชนบทและจากมีบุรุษเงื้อดาบติดตามไปข้างหลังข้างหลังโดยบอกว่าถ้าท่านจะทำน้ำมันหกแม้เพียงหน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจะขาตกลงในที่นั้นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ํามันโน้นแล้วเผลอนําไปภายนอกทีหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายกอุปมาณนี้มาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนเนื้อความในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้คําว่า ภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้เป็นคําเรียกกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติจากเป็นกรรมฐานที่พวกเราเจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมปรารกดีแล้วพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสาเนีกอางนี้แล ชนะปทะกัลยานิสูที่10จบนารันทวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. มหาปุริสสูตร 2. นารันทสูตร 3. จุนทสูตร 4. อุกเจละสูตร 5. พาหิยะสูตร 6. อุตติยะสูตร 7. อริยะสูตร 8. พร ม, มสูตร 9. เสถกะสูตร 10. ชนะปทกัลยานิสูตร สศีลติติวัตหมดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศีลหนึ่งศีลสูตรว่าด้วยศีลที่เป็นกุศลข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระพัท ธ, ธะอยู่ณนกะุขุตารามเขตเมืองปาตลิบุตรครั้นในเวลาเยน็นท่านพระพัท ธ, ธะออกจากที่หลีกเร้นแล้ว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 ปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอาน o n พระผู้มีพระภาคตรัสสิ้นที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรัสสิ้นที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเท่านั้นสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง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 มีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรสัสรีที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสีประการนี้เท่านั้นสีละสู่ที่หนึ่งจบ 2. จิรติติสูตรว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรมต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรแรกท่านพระพัทนานั่งหน้าที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระ อ, อนนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้ว และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระศัทธธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาไฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานนท์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระศัทธธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นาน ในเมื่อพระตถาคตสเสด็จปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตสเสด็จปรินิพานแล้วอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตสเสด็จปรินิพานแล้ว และเพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วสติปฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาหินกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและพระสติปัฏฐานสี่ประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วจิรัิิติสูตรที่สองจบ 3. ปริหานสูตรว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัตยธรรมสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระพัฒห์อยู่ณกุกุตารามเขตเมืองปตาตลีบุตรครั้นในเวลาเย็นท่านพระพัฒห์ออกจากที่หลีกเรนเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธธรรมเสือ่อมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่เสือ่อมท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานนท์ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัิธรรมเสื่อมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัิธรรมไม่เสือ่อมอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสี่ประการ ท, ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงเสื่อมและเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วพระศิธรรมจึงไม่เสื่อม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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงเสื่อมและเพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงไม่เสื่อมปริหานสูตรที่สจบ สีุ่ทธสูตรว่าด้วยสติปัฐานล้วนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสติปทานสประการนี้สติปฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 ในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วและพราะสติปฐานสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิทธิของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจาข่าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพู้ถึงสะรณะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัญญะตะระพรามณสูต ร, รที่หจบ 6. ประเทศสูต ร, รว่าด้วย การเจริญสติปัฏฐานบางข้อสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะและท่านพระอนุรุธทธะอยู่ณนะกันตะกีวันเขตเมืองสาเกตครณ้เวลาเย็นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอนุรุธทธะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะ เพราะได้เจริญสติปัฏฐานสประการเป็นบางข้อสติปัฏฐานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียน、มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต สีพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เป็นบางข้อปเทสสูตรที่6จบ สมัตตสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่หท่านพระสารีบุตรนั่งนาที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกกันว่าพระอเศคขะพระอเศขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระอเศคขะ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 8. โลกสูตรว่าด้วยผู้รู้โลกต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่6ท่านพระสารีบุตรนั่งณที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญามากเพราะทาเหล่าไหนที่ท่านเจริญทาให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทาให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่ง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 ผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วและผมรู้แจ้งโลกพันโลกได้เพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วโลกะสูตรที่8จบ สิริวัฒนสูตรว่าด้วยสิริวัฒน์ขหบดีสมัยหนึ่งท่านพระอานนุ์อยู่หน้าพระเวรุวันสถานที่หเหยือกระแตเขขรุงราชครึกสมัยนั้นขะหะบดีชื่อสิริวัฒน์ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แนบบุรุษผู้เจริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอานนุ์ถึงที่อยู่ แล้วกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวเรียนตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญสิริวัฒถะข้าบดีป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวและเธอจงเรียนว่าขอท่านพระอาหน์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฒถะข้าบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคาของสิริวัฒนะ้าบดีแล้ว ข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสิริวัตถะข้าบดีป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวและฝากมาเรียนว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัตถะข้าบดีถึงนิเวศด้วยเถิด ท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุสณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามว่าคหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเราปรากฏ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 มีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้จากพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจากพิจารณาเห็นจิตในจิตจากพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ขหาบดีท่านพึงสาเนียกอย่างนี้แลท่านผู้เจริญ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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้เจริญโอรัมพาคยยสังโยชน้าประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคียสังโยชน้าประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ขหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอ อาาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วสิริวัฒนสูตรที่เก้าจบสิบมานาทินสูตรว่าด้วยมานาทินาข้าบดีต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่เก้า สมัยนั้นขหาบดีชื่อมานทินะป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาหนี่แนบบุรุษผู้เจริญละถึงมานทินะข้าบดีตอบว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านผู้เจริญ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 ท่านผู้เจริญโอรัมภาคียสังโยชน้าประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมพาคียสังโยชน้าประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ข้าพเดีเป็นลาภของท่านหนาท่านได้ดีแล้วหนา อ, อานาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วมาณทินณสูตรที่สิบจบ สีรติติวัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ศสีลสูตร 2. จิรถิติสูตร 3. ปริหานสูตร 4. สุทธสูตร 5. อัญญตระพรามณสูตร 6. ปรปเทสะสูตร 7. สมัตตสูตร 8. โลกะสูตร 9. สิริวัฒสูตร 10. มานาทินะสูตร